วันนี้เป็นวันที่สิบสามกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานเป็นวันพระเดือนเก้าดับเป็นบุญเป็นงานบุญ ท, ที่พี่น้องประชาชนทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลพี่น้องประชาชนเมื่อวันมากล้นหลามแต่วันนี้รู้สึกว่า วันอาทิตย์แต่ก่อนคนจะมากแต่เมื่อวานพี่น้องประชาชนมาก่อน น, น่านี่แล้ววันอาทิตย์วันนี้ก็เลยคนก็เลยไม่มากแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามพวกเราตอนเช้าเมื่อสันจังหารเสร็จแล้วพวกเราจะมีการบวชพระองค์หนึ่งหน้าที่ศาลาข้างใน การบวชพระในพรรษาได้อยู่เหลือหลวงพ่อคำถามในใจบางคนนะหลวงพ่อก็เคยเล่ากล่าวขานให้ฟังหลายครั้งต่อหลายโหนแล้วว่าบวชได้ในพรรษาถ้าว่าผู้มีความจำงอยากจะมาบวชแต่พระห้ามไม่ให้บวชนั้นแปลว่าพระผิดผิดกฎกติกาผิดวินัยของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นวันเข้าพรรษาก็บวชได้ตามวินัย <c oughs> แล้วก็เมื่อบวดพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจอดตอนเที่ยงคูบาทั้งหลายคูบาใหม่ทั้งหลายบอกกล่าวต่อๆกันอย่าได้คอยกันเที่ยงอุโบสถเมื่ออุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี กลุ่มคณะสัทยาญาติโยมมาจากอุดรก็ให้มารับตรงนี่แหละตรงที่ศาลาใหญ่ข้างนอกนี่แหละเพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ทราบว่าเป็นเทศบาลหน้องสำรงแล้วก็มีกลุ่มอีกเข้ามาสมทอบอีกก็คงจะพี่น้องประชาชนคงจะมากพอสมควรและก็เตรียมพวก M.P.3 หนังสือที่พวกเราเคยแจกนั่ น, นะของสำรวย หลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนอกจากธรรมะทำคำสอนมี m อ3มีามบ้างหนังสือบ้างแต่ผู้ที่ไม่ไม่มีเครื่องฟังก็เอานังสือไปอ่านแต่ว่าการแจกหนังสือก็ดีกาจันการแจก MP3 ก็ดีหลวงพ่อเองก็เหมือนกับหลับหูหลับตาแจกอย่างนั้นแหะ คล้ายๆก ว, ว่าใครมาก็แจกเพื่อสื่อเสียงโด่งดังแต่ในความในใจของหลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็เพื่ออยากจะให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้าใจในธรรมคำสอนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็แต่หลวงพ่อหวานไปนั้นหลวงพ่อก็อาจจะหวานผิดหวานถูกเหมือนกับ หวานเมล็ดข้าวลงในพื้นนาแต่หลวงพ่อมองดูแล้วก็คิดว่าผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยก็คิดว่าเขาคงจะมีความในใจแล้วความมีความสนใจในพระธรรมคําสอนหรือในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็แจกแจกไปแต่ถ้าจะแจกเอาคนนี่ให้คนนั้นไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะมาหลายคนใครๆก็อยากจะได้ แต่เมื่อได้ไปแล้วเนะ่เขาจะเอาไปฟังเอาไปศึกษาหรือไม่อันนี้นะ่มันเป็นแนวความคิดอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอ่าเป็นแนววิตกของหลวงพ่อเหมือนกันแต่ถ้าหาว่าไม่แจกจะเลยไม่มีอะไรแจกมีแต่ธรรมะพูดไปแล้วก็จบไปก็รู้สึกว่ามันง่วนมันสั้นเกินไปแต่ถ้าว่าเราเอ็มเอา MP ็สไปให้หรือหนังสือไปแจก อย่างน้อยก็เป็นการทบทวนสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่เป็นข้าราชการหรือว่าผู้ที่เคยทำงานมาก่อนถ้ามีหนังสือธรรมะไปและเกิดไปอ่านก็คงจะป้องกันอัลไซเมอร์ความจำความหลงลืมของผู้สูงอายุในระดับหนึ่งจากนั้นก็เป็นได้แนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนา แต่ถ้าว่าทำที่จริงถ้าว่าหลวงพ่อมั่นใจไหมว่าคนเหล่านั้นเอาไปอ่านไปศึกษาทุกคนหลวงพ่อก็มั่นใจมั่นใจว่าบางคนก็เอาไปอ่านบางคนเขเอาไปทิ้งหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่ า, า, วาร้อยคนร้อยคนได้สักห้าเปอ็์อย่างเนี้ยใครข้าวว่าได้ฟังได้ศึกษา แล้วก็เป็นที่พอใจในธรมคำสอนเข้าใจในทำคำสอนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยได้ผลด้วยในห้าคนนั้นหลวงพ่อก็เป็นที่พอใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาทั้งเ5คนเอาทั้งหมดหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยคิดน้อยแต่ผลผลออกมาที่หลวงพ่อแจกหนังสือก็ดี MP3 าก็ดี ก็ได้ยินผลสะท้อนย้อนกลับมามากพอสมควรว่า m p 3ของหลวงพ่อพ่อได้ไปแล้วฟังเวลานั่งรถไปเป็นเพื่อนฟังเข้าใจในธรรมะไ ด, มรได้มากหลากหลายแนวความคิดทีเดียวหลวงพ่อได้ฟังเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เป็นที่พอใจในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างไง หลวงพ่อแจกไปนี่แนหะเป็นหลายหมื่นเป็นหลายแสนเป็นหลายแสนแผ่นไม่ใช่น้อยแผ่นนะแสนแผ่นเป็นหลายแสนแผ่นหลายแสนแผ่นคํานี้นะ่ะอาจจะซ้ํากันกับคนที่ได้รับไปแต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อได้แจกได้พูดให้พวกเราคณะสัตยาธิโยมได้ฟังเนี่ยสรุปแล้วหลวงพ่อไม่ได้หลับหูหลับตาแจกนะหลวงพ่อก็คิดในใจเหมือนกันบาง เหมือนกับเราหว่านเมล็ดข้าวลงไปบางทีอาจจะตกในก้อนหินบ้างตกในกิ่งไม้บ้างตกในใบไม้บ้างรากมันไม่ลงไปในดินนะอผลีสุดเมล็ดข้าวเรื่อนั้นก็แห้วไปตายไปอก็คงจะมีอยู่แต่มันลงไปในดินก็คงจะมากกว่ากระมังอันนี้หลวงพ่อกคยคิดเท่านั้นละคณะสัต ย, ยาญาติโยมเพราะฉนั้นในเอ็มพีสามที่พวก จะมาในวันนี้นะเป็นหลายร้อยคนห <c oughs> ลวงพ่อเคยเตรียมไว้สําหรับให้แจกให้ทั่วถึงผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาท่าหลวงพ่อคิดว่าถ้าจะเอาพักเครื่องแจกเลยอดได้พักเครื่องไปกระดีอกดีใจในขณะที่ได้พอได้ไปแล้วก็เอาซื้อกระจกมากระส่องหน้าสองหลังสองไปสองมาเสร็จแล้วก็เก็บไว้ ก็เพียงแต่นั้นพระเครื่องท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมีแต่ยามคับขันหรืวยามจะไปที่ไหนก็ยกมือไหว้พระเครื่องแต่ก็ห้อยค อ, อแล้วก็ไปไปเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้พระเครื่องแล้วเอามาไว้ไวท้ที่เอาไว้ที่บ้านาพระเครื่องก็คงไม่ได้สอนธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมแต่ถ้าว่าเอาหนังสือธรรมะให้ MP ็สให้เอ็มพีส หนังสือคงจะแนะนําสั่งสอนอย่าไปทําความชั่วดนะ้ะให้ทําแต่ความดีถ้าว่าทําคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีแล้วไปนัดสถานที่ใดตลอดปลอดภัยทั้งนั้นแหละขับรถก็ให้ระมัดระวังอย่าไปกินเหล้าเนะ้อถ้าไปกินเหล้าหรอถ้าตัวเองกินเหล้าเมารถมันก็เมาไปด้วยเหมือนกันนะเสีซ้ายเปียซ้ายเปี ย, ย, ย, ย, ยขวาไปเหมือนกันนะเพราะเจ้าของโซเฟอร์มันเมา นี่แหละถ้าเราสอนโซเฟอร์ซะเอาธรรมะสอนโซเฟอร์อโซเฟอร์เป็นคนดีไปนะสถานที่ใดก็คงจะดีหลวงพ่อว่าอนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงแจกพระธรรมคําสอนให้แก่คณะสัตยาธิโจมพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะ้คณะสัตยาธิโจมลูกหลานไม่คิดได้อย่างไรนะหนังสือแต่ละครั้ง พี่พิมพ์แจกออกไปเนี่ยสี่แสนปิ่มๆแต่ละครั้งนะสามแสนกว่าสี่แสนเอ3มพีสามก็เหมือนกันที่เอาพิมเอามาแจ ก, กแต่ละครั้งวันสงวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาวันออกพรรษาถึงเนี้ยวันกระทิ้นที่เราแจ ก, กไปเน่มันไม่ใช่น้อยบางทีตั้งเจ็ดแปดแสนบาท ที่ศรัทธาญาติโยมเข า, เาสั่งเข้ามาเพื่อแจกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อดูตัวเลขทั้งหมดในการแจกแต่ละครั้งแต่หลวงพ่อทําไมหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นมองเห็นธรรมะนี่แหละที่จะเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อก็มั่นใจอีกว่าในการแนะนําสั่งสอนของหลวงพ่อที่พูดในเทป ใน MP3 ในหนังสือที่พวกลูกหลานเอาไปอ่านเอาไปศึกษาจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของลูกหลานอย่างดีเป็นแนวความคิดอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาดกเป็นกระจกเงาสําหรับพวกลูกหลานที่ได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมองเห็นว่าทำคําคสอนจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อจึงได้ ดำเนินในทางนี้นะ เ, เพราะว่าหลวงพ่อก็ได้ศึกษามาจากนั้นจริงๆแต่หลวงพ่อเป็นเนนอเอ้อยหลวงพ่อจะศึกษามาจากไหนมาจากครูโรงเรียน เ, เพียงแต่อ่านออกเขียนได้เขียนผิดผิ ด, ผดถูกๆูกอีกต่างหากเพราะโรงเรียนบ้านนอกพอจากนั้นก็มาศึกษากับหลวงปู่ล่าท่านก็สอนแนะนําสั่งสอนเรื่องเรื่องศีลธรรมจริยธรรมจากนั้นก็ท่านก็สอนกฎระเบียบวินัย จากนั้นก็หลวงพ่อก็พอที่จะศึกษาด้วยตนเองได้หลวงพ่อก็เอาหนังสือพระไตรปิฎกมาศึกษา้นคว้าให้กว้างขวางขึ้นไปจากนั้นก็มาศึกษากองค์หลวงตาได้มาศึกษาเกี่ยวข้องกับคู่คนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องการวางหมากวางแผนการปฏิบัติต่อสาธารณชนของหลวงตาเป็นแบบอย่างที่ดีหลวงพ่อจะเรียนมาเรื่อย ใช่ใช่แไปที่ใดก็ตามตาดูหูฝังใจสำเนีย่ยในการได้เห็นได้ยินในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่าไปที่ไหนกลับหูหลับตาขวางซื้อบือ้อซื้อบื้อไม่ใช่นะหลวงพ่อนี่จะไปเพราะหลวงพ่อเรียนมาตามธรรมชาติไม่ได้เรียนปริญญาตรีโทเอกไม่ได้เรียนนักธรรมตรีโ ท, โทเอกมหาปริญญาหลวงพ่อเรียนมาตามธรรมชาติมันเรียนตาม ขนรรมทำเนียมประเพณีของวัดป่าพระป่านะอย่างพวกเราท่านทางรายได้เห็นแต่บางครั้งลูกหลานเห็นก็คงจะแขว่งหูแขว่งตาลูกหลานเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระป่าป่าจริงๆนะแต่ก็พยายามพยายามมองโลกแล้วก็มองป่า จ, นนจะหนีจากป่ามากก็ไม่ได้มันเสียเสียหลักนะถ้าจะไปมองทางโลกมากเหมือนกับเสียหลัก ถ้าจะมองแต่ทางป่าที่เดียวก็เหมือนกับหลับหูหลับตาไม่มองโลกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงมองทั้งทางโลกมองทั้งทา ง, งป่าคล้ายๆก็ให้เชื่อมสัมพันธ์ต่อกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นแนวความคิดสําหรับหลวงพ่อเหมือนกันนะ อ, อ, อยู่ในในระหว่างเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณนศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ที่เข้ามาศึกษากับหลวงพ่อก็ดีก็ให้สังเกตนะ แต่หลวงพ่อเน้นหนักให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันเร็วะยําทำคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วนะอย่าทำคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำให้คิดดีทำดีพูดดีเราคิดดีทำดีพูดดีอยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ <ton> เป็นที่วางใจไปอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็วางใจเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่สบายใจ กับคู่คนทุกๆ ท, ท่าน อ, าอย่างหลวงพ่อนี่เห็นไหมหลวงพ่อของสู่เจ้าเนี่ยไม่ใช่ขี้อวดนะไม่ใช่อวดนะพูดตามความเป็นจริงให้ฟังฮนะนี่หลวงพ่อเรียนมาตามธรรมชาติอย่างนี้หละ่ะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ล่ากจนมาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวจนมาสร้างวัดวาศาสนาอย่างนี้หละมาอยู่อย่างนี้หละอพอหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นใครอยู่ในระดับไหน ชั้นไหนเราก็ยอมรับวัดหลวงตามหาบัวเป็นพระอาหารหันทรทุกคนที่เป็นศิษยานุสิษย์ขององค์หลวงตาแต่ขนาดนั้นน่ะหลวงตานะท่านก็ยังมอบความไว้วางใจในระดับหนึ่งท่านก็คงจะมองไม่เห็นอย่างอื่นกันขิ้วัดนี่แหละทำอินนี่แหละพอที่จะฝากฝังเรื่องราวอะไรได้บ้างท่านจึงให้พี่นายกำรหรลวงพอ่อเห็นไหม หลวงพ่อไม่ใช่อวดนะพูดให้ฟังทายาจศึกษาก็ไปศึกษาไปฟังอให้ไปฟังให้ไปศึกษาอในจุดนี้นะนี่แหละหลวงพ่อนันลานหลวงพ่อจะพูดให้ฟังในจุดนี้เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าลูกของเรามีหลายคนใครบ้างที่จะรับยอมรับในกิจกรรมของเราเอที่พ่อแม่มองเห็น ครั้งของมอบความไว้วางใจถ้าหลายคนนะเป็นเสียแต่น้อยคนถ้าน้อยคนถึงจะโง่เง่าเตาตุนขนาดไห น, นจะทำยังไงได้ไมันมีลูกคนเดียวนะก็ต้องให้มันวะถ้าว่ามีสี่ห้าคนไม่แล้วต้องเลือกให้นี่แหละหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันหนะลวงตาของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะท่านก็ยังให้กับใครมอบให้ใคร ในจุดนั้ น, นเรียนรู้จากนั้นนั้นแต่หลวงพ่อเองไม่ได้ลืมตัวในเมื่อท่านมอบให้หลวงหลวงพ่อก็ทําเต็มที่อย่างพวกลูกหลานได้เห็นแต่ถ้าว่าผู้ใดไปเข้าไปทํางานกับหลวงพ่อในวันนั้นหลวงพ่อจะทําให้เต็มที่เมื่อทําเต็มที่จบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็กระโดดออกมาฮอไม่ได้เข้าไปก้าวกายอะไรทั้งหมดข้อหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่พ่อสั่งแล้ว หมดหน้าที่พ่อสั่งให้ทาในเมื่อพ่อสั่งให้ทำทำเต็มที่สุดความสามารถนี่แหละนั้นเมื่อขุดความสามรรถและหยุดหยุดในการกระทำออมอบให้คนอื่นเป็นหน้าที่เราไม่ได้อวดไม่อ้างเราไม่ได้เก่งกาจสามารถไม่ได้ก้าวไกลเรื่องอะไรทั้งหมดยอมรับในความรู้ความฉลาดความสามารถในพี่พี่น้องๆ้องทั้งหลายทั้งปวงแต่ในช่วงเนี้ย ท, ที่พ่อมอบให้เนี่ย ให้ทำจุดนี้เราก็ทำตามที่พ่อสั่งเพราะนั้นฟังดูซิที่หลวงพ่อพูดผิดหรือถูกถ้ามันผิดที่ตรงไหนหลวงพ่อก็อยากจะฟังอีกเหมือนกันนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะต่ อ, ตอ น, นี้ไปหลวงพ่ออาจจะพูดออกนอกกรอบสักหน่อยวันนี้นะแต่ถึงอย่างไงก่อนหลวงพ่อก็พยายามจะพูดให้ลูกให้หลานคณะศรัทธาญาติโยมฟังแนวความคิดของหลวงพ่อตั้งแต่ แจก MP3 แจกหนังสือหลวงพ่ อ, อยากจะเด่นอยากจะดังไหมดังไปเพื่ออะไรดังไปหาตายใช่ไหมเด่นไปหาตายใช่ไหมอีกจากนี้ไปกี่ปีล่ะหลวงพ่ออินตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อมองดูตัวเองอยู่ตลอดสิ่งไหนที่มีมประโยชน์สิ่งไหนที่มีคุณค่ า, าสิ่งไหนที่จะถ่ายทอดให้พระลูกพระหลานพี่น้องประชาชนจัตวาญาติโยมได้ยินได้ฟังหลวงพ่อจะพยายามถ่ายทอด เนี่ยทีท่งพ่อได้ศึกษาได้เรา่เราเรียนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเพื่อจะให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นคนดีสรุปแล้วให้เป็นพระที่ดีศรัทธาญาติโยมที่ดีคิดดีทำดีพูดดีนะหลับพร